เทตทั้งที่รู้ 1. ไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็น 4. ไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าพระพเจ้าได้เห็นแล้วด้วยอาการ3อย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศวงเล็บสองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากําลังกล่าวเทศวงเล็บสทมครั้กล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเทศแล้วต้องบัตรปาจิตตีไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าพระพเจ้าได้เห็นแ ล, ล้ว ด้วยการ4อย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศวงเล็บสองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากําลังกล่าวเทศวงเล็บสามคันกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็ศแล้ววงเล็บสี่อํมพรางความเห็นต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วด้วยการ5อย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็ศวงเล็บสองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากําลังกล่าวเท็จ วงเล็บสาขั้นกล่าวแล้วรู้ว่ากล่าวเทศแล้ววงเล็บกัเรนธาชอ้ไม่ได้เห็นพิสูน์กล่าเทศทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าได้เห็นแล้วด้วยการอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศวงเล็บสอง กล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าพระบิดาได้เห็นแล้วด้วยการเจ็ดอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื 1, เ้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศวงเล็บสองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเทศวงเล็บสครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่า ก, กล่าวเทศแล้ววงเล็บสี่อัมภังความเห็นวงเล็บห้าอัมภังความเห็นชอบวงเล็บหกอามังความพอใจวงเล็บ7จ็ดอัมภัความประสงค์ต้องอาบัติร า, าจิตี 2. ไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยิน หไม่ได้ยินภิกสูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัตตาจิตตี 3. ไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบไม่ทราบพิสูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัตตาจิตตี 4. ไม่รู้แต่กล่าวว่ารู้ไม่รู้ภิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วด้วยการสมอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศ วงเล็บสองกลังกล่าวกรู้ว่ากําลังกล่าวเท็ศวงเล็บสครั้นกล่าวแล้วกรู้ว่ากล่าวเท็ศแล้วต้องอับเลสปาจิตตีไม่รู้ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าพระพเจ้ารู้แล้วด้วยการสี่อย่างด้วยการห้าอย่างด้วยการหกอย่างด้วยการเจ็อย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จวงเล็บสองกำลังกล่าวกรู้ว่ากําลังกล่าวเท็ศวงเล็บสครั้นกล่าวแล้วกรู้ว่ากล่าวเท็ศแล้ววงเล็บสี่อําพรางความเห็น วงเล็บ5อัมพรางความเห็นชอบวงเล็บ6อัมพรางความพอใจวงเล็บ7อัมพรางความประสงค์ต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นและได้ยิน6ไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและได้ยินแล้วด้วยอาการ3อย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นและทราบไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและทราบแล้วด้วยอาการ3อย่างต้องอบัติปาจิตตี ไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นและรู้ไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและรู้แล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นได้ยินและทราบไม่ได้เห็นภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นได้ยินและรู้ ไม่ได้เห็นภิกูุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและรู้แล้วด้วยการสมอย่างต้องอะบติปลาจิตตีไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าได้เห็นได้ยินและทราบและรู้ไม่ได้เห็นภิสูจกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วและรู้แล้วด้วยการสมอย่างต้องอะบตดปลาจิตตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินและทราบไม่ได้ยิน ภิกุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินและรู้ไม่ได้ยินภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วและรู้แล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินและได้เห็นไม่ได้ยินภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วและได้เห็นแล้ว ด้วยอาการ3อย่างต้องอบัตรปาจิตตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินทราบและรู้ไม่ได้ยินภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วทราบแล้วและรู้แล้วด้วยอาการ3ามอย่างต้องอบัตรปาจิตตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินทราบและได้เห็นไม่ได้ยินภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วทราบแล้วและได้เห็นแล้วด้วยอาการสามอย่าง ต้องอบับตป า, า, าเจิตีไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินทราบรู้และได้เห็นไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าได้ยินทราบรู้และได้เห็นไม่ได้ยินพิสูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินทราบแล้วรู้แล้วและได้เห็นแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัตรปาเจิตีไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบและรู้ ไม่ทราบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วและรู้แล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบและได้เห็นไม่ทราบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วและได้เห็นแล้วด้วยอาการ3มอย่างต้องอบัติปาจิตตีไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบและได้ยินไม่ทราบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วและได้ยินแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัติปาจิต ไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบรู้และได้เห็นไม่ทราบพิสูจกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วรู้แล้วและได้เห็นแล้วด้วยการสามอย่างต้องบำบัดป่าจิตตีไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบรู้และได้ยินไม่ทราบพิสูจนกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วรู้แล้วและได้ยินแล้วด้วยการสมอย่างต้องบำบัดป่าจิตตีไม่ทราบแต่กล่าวว่าทราบรู้เห็นและได้ยิน ไม่ทราบภิกษุก <sucks> <sau> ล่าวเทศทั้งทีรู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วรู้แล้วได้ยินแล้วและได้ยินแล้วด้วยการสมอย่างต้องอำบัดปาจิตตีไม่รู้แต่กล่าวว่ารู้และได้เห็นไม่รู้ภิกษุกล่าวเทศทั้งทีรู้ว่าข้าพเจ้ารู้และได้เห็นแล้วด้วยการสามอย่างต้องอำบัดปาจิตตีไม่รู้แต่กล่าวว่ารู้และได้ยิน ไม่รู้ภิกษุกล่าวเททั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วและได้ยินแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัติปราจิตตีไม่รู้จะกล่าวว่ารู้และทราบไม่รู้ภิกษุ กล่าเท็ทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยวาอาการสามอย่า ง, างต้องอภิปรายที่นี้ 5. ได้เห็นแต่กล่าวว่าไม่ได้เห็น 7. ได้เห็นภิสูจกล่าวเท็ทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแล้วด้วยการสมอย่างคือองคเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกลก่าวเท็จองเล็บสองกำลังกลง่าวเรู้ว่ากาลังกล่าวเท็จ คงเล็บ3ครั้งกล่าวแล้วรู้ว่ากล่าวเท็จแล้วต้องอาบัติการปีได้เห็นภิษสู่กล่าวเท็จครั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแล้วด้วยการ4ี่อย่างด้วยอาการห้าอย่างด้วยการหอยา่าง ทราบพิสูจน์แลวเท่าต้งที่ทรู้ว่าพระเจ้าไม่ทรบแล้วในการสามอย่างต้องรับผิดชอบดี ภิกษุกล่าวเททั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีได้เห็นแต่กล่าวว่าทราบได้เห็นภิกษุกล่าวเททั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีได้เห็นแต่กล่าวว่ารู้ได้เห็นภิกษุกล่าวเททั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีได้เห็นแต่กล่าวว่าได้ยินและทราบได้เห็น ภิกษเปลทั้งที่รู้ว่าพระพุทเจ้าได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีได้เห็นแต่กล่าวว่าได้ยินและรู้ได้เห็นภิกษุกปล่าทิฏฐังที่รู้ว่าพระพเจ้าได้ยินแล้วและรู้แล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีได้เห็นแต่กล่าวว่าได้ยินทราบและรู้ได้เห็นภิกษุกปล่าทิทฐังที่รู้ว่าพระพเจ้าได้ยินแล้วทราบแล้วและรู้แล้วด้วยการสามอย่าง บัตราจิตดีได้ยินแต่กล่าวว่าทราบได้ยินภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตรตาจิตดีได้ยินแต่กล่าวว่ารู้ได้ยินภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัตรตาจิตดีได้ยินแต่กล่าวว่าได้เห็นได้ยินภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัตรตาจิตตี ได้ยินแต่กล่าวว่าทราบและรู้ได้ยินภิกษุกล่าวทิฏทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วและรู้แล้วด้วยอาการสามอย่างต้องอบัติตาจิตตีได้ยินแต่กล่าวว่าทราบและได้เห็นได้ยินภิกษุกล่าวเทิฏฐังที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วและได้เห็นแล้วด้วยอาการสามอย่างต้องอบัติตาจิตตีได้ยินแต่กล่าวว่าทราบรู้และได้เห็นได้ยินภิกษุกล่าวเทิฏฐังที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วรู้แล้วและได้เห็นแล้ว ด้วยการสามอย่างต้องอบดับตาจิตตีทราบแต่กล่าวว่ารู้ทราบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิปีทราบแต่กล่าวว่าได้เห็นทราบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตี ทราบพิสุกล่าวทิฏฐังที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วและได้เห็นแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีทราบแต่กล่าวว่ารู้และได้ยินทราบพิสุกกล่าวทิฏฐังที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วและได้ยินแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตีทราบแต่กล่าวว่ารู้ได้เห็นและได้ยินทราบพิสุกกล่าวทิฏฐังที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วและได้ยินแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัตตาจิตตี รู้แต่กล่าวว่าได้เห็นรู้ภิกษุเกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัตตาจิตตีรู้แต่กล่าวว่าได้ยินรู้ภิกษุกล่าเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้ยินแล้วด้วยอาการสมอย่างต้องอบัตตาจิตตีรู้แต่กล่าวว่าทราบรู้ภิกษุกล่าเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าทราบแล้วด้วยอาการ3มอย่างต้องอบัตตาจิตตี รู้แต่กล่าว <mel od ic 00> ว่าได้เห็นและได้ยินรู้ภิก <tricked> ษ <ilt Z Soft> ุกล er, ่าวทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและได้ยินแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัติปาจิตติรู้แต่กล่าวว่าได้เห็นและทราบรู้ภิกษุกล่าวทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและทราบแล้วด้วยการสามอย่างต้องอบัติปาจิตติรู้แต่กล่าวว่าได้เห็นได้ยินและทราบ รู้ภิกษุเก่าเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตีได้เห็นแต่ไม่แน่ใจ 9. ภิกษุไม่แน่ใจสิ่งที่ได้เห็นกําหนดสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้จําสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้หลงลืมสิ่งที่ได้เห็นเก่าเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและได้ยินแล้วด้วยการสมอย่างต้องอบัติปาจิตตี ภิกษุกล่าวทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เห right? ็นแล้วได้ย mm ินแล้วทราบแล้วและรู้แล้วต้องอบัตปาจิตตีได้ยินแต่ไม่แน่ใจภิกษุไม่แน่ใจสิ่งที่ได้ยินกำหนดสิ่งที่ได้ยินไม่ได้จำสิ่งที่ได้ยินไม่ได้หลงลืมสิ่งที่ได้ยินทราบแต่ไม่แน่ใจภิกษุไม่แน่ใจสิ่งที่ได้ทราบกำหนดสิ่งที่ได้ทราบไม่ได้ จำสิ่งที่ได้ทราบไม่ได้ลงลืมสิ่งท th sí. um ี่ไ really ด้ทราบรู้แต่ไม่แน่ใจเป็นต้นภิกูุไม่แน่ใจสิ่งที่ได้รู้กำหนดสิ่งที่ได้รู้ไม่ได้จำสิ่งที่ได้รู้ไม่ได้ลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวทิศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วและได้เห็นแล้วด้วยการสามอย่างลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวทิศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วและได้ยินแล้วลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวทศทั้งที่รู้ว่า พระเจ้ารู้แล้วและทราบแล้วลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าขพระเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วและได้ยินแล้วลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวเทศทัที่รู้ว่าพระเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วและทราบแล้วลงลืมสิ่งที่ได้รู้กล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าพระเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยการ3ามอย่างคือ สองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จวงเล็บ3าครั้งกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้วต้องอบัตรปาจิตตีสิบภิกษุไม่แน่ใจสิ่งที่ได้รู้กําหนดสิ่งที่ได้รู้ไม่ได้จําสิ่งที่ได้รู้ไม่ได้ลงลืนสิ่งที่ได้รู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้ารู้แล้วได้เห็นแล้วได้ยินแล้วและทราบแล้วด้วยกัน4ี่อย่างด้วยการ5อย่างด้วยการ6อย่างด้วยการเจอย่างคือ 1. เบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จ 2. องกำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จ 3. ครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 4. อัมพรางความเห็น 5. อัมพรางความเห็นชอบ 6. อัมพรางความพอใจ 7. อัมพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาจิตตี